แกญาติโยมสาธุชนที่มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุยุวรัตนสลิสปแห่งนี้ทุกๆุกคนอันดับต่อแต่นี้ไปญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมะธรรมโม อ่านจะให้อัตมาพูดญาติจมทั้งหลายได้รับฟังบอกว่าจะให้พูดถึงเึินชมมงไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่าที่จริงคนพูดแล้วพูดได้แต่คนฟังนี่จะฟังได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละเป็นปัญหาอยู่เหมันกัน เพราะว่าให้พูดในขณะที่บ่ายโมงเนี่ยตามปกติเป็นเวลาที่พวกเราทั้งหลายได้พักได้พรย่อนกายเรียกว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าทานข้าวอิ่มมาใหม่ๆไงหนังท้องมันตึงแล้วหนังตามันค่อยๆจะหย่อนนะ่ะพะฉะนั้นก็เป็นห่วง วังว่ญญาิโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่จะฟังกันได้ครบชโมงหรือเปล่าจะอย่างไรก็ตามทีญญาิโยมทั้งหลายได้พากันมาปฏิบัติธรรมก็คงจะไล่อะไรนะไล่นิวรธรรมให้ออกไปจากตัวเราไปบ้างแล้วให้มันเหลือน้อยลงแล้วอ่ะ มันน้อยลงแล้วเนี่ยมันไปอยู่ข้อเนี่ยนะทีนะมิธะเนี่ยความง่วงหาวหาวนอนน่ะ อ, อ่าพระพุทธเจ้าบอกเป็นเครื่องกลั่นเครื่องกลั่นกีดขวางทางเดินของสมาธิเรียกว่าจิตของเราเนี่ยมันจะไม่สงบลงได้ก็เพราะมันมีตัวนี้นะ่เป็น ที่กั้นขวางที่จริงเลยนะมีไอ้ที่กั้นขวางอยู่ที่ท่านบอกเขาไว้นะมีทั้งห้าข้อในการโนดห้าข้อโยมเคยฟังเทพเรื่องพระเวสสันดรมาแล้วทุกคนใช่ไหมพระนางมัตสีเนะี่ยออกไปหาพุมากรากไม้ เอามาถวายกับพระเจ้าเวทสันดรวันนั้นนะนะมันเกิดลางสังหรณ์ตั้งแต่มาตอนกลางคืนเออฝันว่าใครก็ไม่รู้ละลางใหญ่โตวนทวนแข็งแรงมาเออบี ออาลไปมิดดาบแทงตานะ่แทงตรงไหนก็ไม่แทงไปแทงตานะ่แล้วก็ไม่แทงข้างเดียวซะด้วยในในิมิตในความฝันของพ น, นางนะ่แทงทั้งสองข้างเลยะมันจะเป็นยังไงแล้วตานะ่ะ มันก็กลายเป็นจายเลยเยิมเลยเออเลือดไหลก็ไหลเยิมเยเมเป็นจายเลยนะโยมเคยเห็นคนกินหมากไหม ล, ละ่ะเหมือนกันนะ่แนะฟันไม่มีก็ยังเอาไปอมเอาไปเคี้ยวอยู่ในปากก็และเออเครื่องกันไม่ค่อยมีเหลือแต่เหือกนะ มันก็เยิมสิไหล ย, ย้อยฮย้อยออกมานะ่คนขางนอกก็ติดหมา ก, กันยังอะไรแทบทุกคน ม, มีอะไรผ่าเพอไม่มีเช็ดก็เอาแขนตัวเองเนี่ยเช็ดไปเช็ดมาก็ไปถูกตรงไงบบังก็ไม่รู้หูตาน่แดงเถือกไปหมดแล้วเห็นร่ะ จะอย่างไรก็ตามทีที่อ้างที่ว่าพระนางมัตสีเอ๊ะใช่นางมัดสีปะใช่ <c oughs> เออ <c oughs> นางมัตสีเนาะคู่กับพระเวสสันดร อ, ออกไปหาพลมากลากไม้ฝันกลางคืนว่าอย่างนั้นเลยถูกแทงตานั่นมันก็สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาสว่า อู้ใจหายใจความมาลูบตารูปหูยังไม่บอดนี่วะแต่มันตกใจใจหายแล้วใจหายใจความก็เลือก็พิกความพิชไงเอ็นไปเอ็นมาเข้าหัวเรือมังหางเรือประมาณอย่างนั้นแหละคนอยู่ในเรือนะน้ำเข้าเรือมันก็ใจหายใจความเหมือนกัน นอนอยู่ดีๆฝันร้ายอย่างนั้นนะใครจะไม่หายใจความใจหายล่ะคนบางคนเนี่ยฝันร้ายยิ่งกว่าไอ้ตรงนี้ต้องหากด้วยนะฝันว่าเสือขับอุ้ยเสือจริงๆนะมันขับนะขับจะขัดจุบวิ่แล้วก็วิ่งจนเหนื่อยหอบแฮ๊กๆๆะพอตื่นขึ้นมาเังหอบจริงๆเลยว่ะ มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงก็นอนเฉยๆไม่ได้วิ่งสักหน่อยตึงคำอันหอบแฮกหกหกอย่างนี้จริงเลยนะเนี่ยคำว่าใจหายใจคว่มเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับกายหรอกกายนอนเฉยพักผ่อนสบายแต่ใจนะมันออกไปเที่ยวตรงไหนไม่รู้ให้เสือให้ชา้างไล่กระเทืบอยู่นะ วิ่งหนีจนหอบแฮกหก ห, กหกตื่นขึ้นมาเอ้ายังหอบซะจริงๆะนะไอ้มันเป็นไปได้อยู่มั้นกันหนอแสดงว่ากายกับใจเนะี่ยมันคนละอย่างกันแน่นอนเลยพระเจ้าเลยแยกว่าเป็นขันหนะ้าไงกายเนะ่ยมันก็จ่รูปขันเวทนาสัญญาสัางขันวิญญาณนี่ส่วนใจเลย จะอย่างไรก็ตามทีที่ยกว่ามัดสีถูกแทงตาในความฝันใ น, นมิตหมายนั้นตื่นขึ้นมายังตกใจอยู่เข้าไปหาพระเจ้าเวสันดอนเล่าความฝันอันที่พนนางฝันให้ทราบพอฝันแล้วเนี่ยมาเล่าเป็นตุเป็นตะเลยเขาแทงตามอมตะจีโอโห้เลือดอับเลยนะพระองค์ มันจะเป็นนิมิตหมายอุดซ้ำหอนอะไรมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าโอ้ยนางก็เอพระเจ้าเวสันดอนก็บอกโอ้ยกินมากมันก็ฝันมากแล้ว เ, อ น, อเน้ <c oughs> องยิงวะเออท่านก็บอกโอ้ยกินมากมันก็ฝันมาก เห็นไล่ะฝันมากคืออิ่มแล้วมันหลับยาวมันก็ฝันยาวกัว่าฝันมากนะนี่ก็เป็นเรื่องจริงธาตุกำลังเนี่เห็นไ้ยธาตุกำลักหมายความว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาเขาเขาเอามาเป็นตัวสังขารคือร่างกายรูปปัรามเราเนี่ยนะเออท่านบอกว่ามันกำลิกมันก็เลยฝันร้ายเห็นั้ย พระจ้เวสสันดรก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งคนจะฝันได้เทมันสังหรณ์เห็นมหมนิมิตจึงเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนเอวดาเขาอาจจะมารู้ว่าเรามาตกยากแล้กำลำบากเลยมาเข้าฝันก็เราลำบากกายและใจมันก็ลำบากตามแลนองหนออะไรประมาณอย่างเงี้ย ก็ประหลอกพนางมัดสีว่าไม่มีอะไรหรอกเออกินมากฝันมากนอ้องจะไปจิกอะไรมาเน yeah. ั้ยคืนน่ะแก้ความฝันพระเจ้าเวสสันดอให้กำลังใจเออไปฝันต่อก็แล้วกันแต่ฝันเรื่องดีๆหน่อยนะมันจะสบายใจมันจะได้สบายใจ <laughs> หลับก่อนนอนไหว้หมอนสวดมนต์ซเออใจมันจะได้เป็นสมาธิเห็นไหมเอาประพุทธธรรมพระ ส, สงบอกให้ อ, อมาด ส, สีนะ่ะนะปฏิบัติเออแล้วสติสตังมันจะได้อยู่กันเนื้อกระตัวเห็นไหมมันจะเวทสันดอนไม่มีอะไรนะ้องไม่มีอะไร ฝันมันไม่มีตัวไม่มีต้นกลับไปเนี่ย เ, เล่าๆความฝันเนี่ยมันเล่าในห้องก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นนะนะยังเป็นสามีภรรยากันอยู่แต่ว่าอธิษฐานเป็นนักบวชไปลือสีชีภัยกันแล้วงดเว้นไม่เอาเรื่องและย่างหนีอ่ะนะเออนั่งอยู่ห้างนอกก็แล้วจะเข้ามาข้างใน เล่าความฝันเข้ามาแล้วพี่จะช่วยชำนา ย, นายไหนไหมละ่ะเนี่ยที่เราฟังตันเทศกันมาแลว้วว่ะกลับไปเชื่อพระสวามีว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ใจมันก็คิดโอ้ยเนาะเราไม่เคยฝันอย่างนี้แล้วมันทำไมมาฝันอย่างนั้นเออ ไม่สบายใจนอนคิดอย่างเยโยมันจะได้ก็อะไรเนอะเออตาสองข้างเราเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับลูกก็เต้าเรามานานก็คิดได้นะคิดไปสลพัพัสลเพศเนีเออ่ยตาเราเนี่ยลูกเราเนี่ยเป็นแก้วตาแก้วใจเนี่ยนานคิดอย่างนั้นเลยอะ่ะหรือจะเกี่ยวกับลูกเราวะ ตื่นเช้าขึ้นมาถึงเวลาออกไปหาพละหมากรากไม้นะของเก่าก็เอาไปถาวายนะสวามีพระเจ้าเวสันดอนให้กันหาชาลีจินแ บ, บกินน้ำสัมลานโดยเองก็จะต้องออกไปเห็นหมออกไปหาไม้เพื่อเอามากินเอามา เลี้ยงกันในวันใหม่ต่อไปวันนั้นมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้โยงเอยออกไปเลยป่าที่เคยไปมันไม่มีก่อนจะออกไปก็สั่งพระเจ้าเวชสันดลพ ร, พ, นนพระเจ้าพี่อย่างนั้นพระเจ้าพี่อย่างนี้เออ มีลางสังหอนไม่ดีฝันไม่ดีฝากลูกทั้งสองด้วยนะพะเจ้าค้าเห็น ไ, ไหมี่เรื่องเรื่องคนเป็นแม่อ่ะมีลูกก็ต้องห่วงลูกทุกคนแล้วใช่ม่ยอมไม่ค่อยนึกถึงตัวละตัวเองจะหิวแต่ลูกข้าต้องอีม ัวเองจะปักหน้าปักหลังบังก็ไม่เป็นไรแต่ลูกข้าต้องใสให้ดีเห็นไ้ยละ่ะลูกอ่ะัวเองอดแต่ลูกข้าต้องอิม่มจะอย่างไรก็ตามทีก่อนจะออกไปก็ลำลี้มลายลำพันฝากลูกไว้กับพระเจ้าเวสันดรน เวสันตดอนเขารู้แล้วแต่ไม่บอกความจริงถ้าบอกความจริงโยมจะออกไปไม่แล้ววันนี้นะจะมีตาชูโชคมาขอลูกสองคนเนี่ยแล้วแม่จะไปไม่แล้วในป่านม่ไปหรอกรักลูกนะรักลูกอนะ่ะจะออกไปไม่ละไม่ออกถ้าเจ้าเวสันตดอนรู้ว่าพรุ่งนี้จะปี ใครสักคนเนี่ยนะมาขอรู้แต่บอกไปเฮ้อเนาะไปก็ให้ออกไปอย่างเดียวไปทําหน้าที่เออที่เรารับปากมาว่าม า, มาในป่าในลบในครั้งนี้จะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเออเสือช้างจะตะถืบยังไงก็ต้องหาเลี้ยงพระพี่ น้องเคยออกปากมาอย่างนี้ไปทําหน้าที่ไปลูกไปไปไปไปไปน้องไปมาสีเอ <c oughs> เอก็รีบให้ไปนะปรนเดี๋ยวตาชูชกมาแล้วจะมาขอไม่ได้เซเออทําไม่ได้แล้วเป็นไงเอา้าทำไม่ได้นะได้ทานบารมีของเรามันก็จะไม่สําเร็จรู้เรื่องงเออไม่สําเร็จรู้เรื่องแล้จะเป็นพัท สำเร็จพระโพธิยาณจะยังไงล่ะเออให้มัหมดแล้วเงินทองข้าวของโอ้ไม่แต่ช้างคู่บานคู่เมืองเป็นช้างเผือกอยู่ตรงไหนฝนฟ้าตกที่นั่นก็ยังให้เขาไปได้อะ่ะเออ นึกดูอ่รู้เลยพอมัดสีบอกว่ามีแทงแก้วตานี่จะทำให้มัดสีเนี่ยเสียใจมากอเองอะ่ะเออก็เลยบอกมัดสีเขาไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพี่จะช่วยดูให้นะตอบมาสีมัิสีก็ไปไปยังไม่พอนะพอออกไปยังไม่พ้นต่อหน้านัาน่นนะสายตาสายกระ บ, บุง้า นายโยยังไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนะเอ๊ะสังหอนอะไรอะกลับมากลับอีกแล้วสงสัยกระ บ, บุงตะ ก, ก้ามันจะไม่ให้เราไปหรนะ <c oughs> ือเออเอออนะหันหน้ามาสั่งหันหลังมาลาหันหน้ามาฝากหันหลังมาบอกอยู่อย่างนั้นนะ ว่าจะไปได้ก็ละล่ำละลักร้องไห้ร้องโหมฝากได้นะเจ้าพี่ฝากเปได้เจ้าพี่นะห่วงลูกรักลูกกันหาชาลีน่ะไม่ละโยมก็ไปแล้วเนี่ยนะก็ไปหาก็ไม่ค่อยจะได้ผลไม้วันนั้นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ เทวดามันคงจะมาบังหูบังตานน่นลรวว้าเออไม่โทษใครแล้วโทษเทวดากูกูกหวาูกูเห็นมึงเป็นพวงพวงพวงอยู่อ่ะกสูสาไม่เอาไปหมดเออจะรอให้มึงสุกซะก่อนสวยๆกูจะ พ, พ่งนี้จะมาเอาต่อเออมาวันนี้กูว่าไม่้าว่ามาไม่ผิดค่ะ มาแล้วมันทำไมไม่เป็นเหมืนอนที่เราเคยเห็นเคยนึกเคยรู้เคยจําเคยมาทำอยู่ก็เมื่อวานแล้วมันไปไหนอยู่ยตาแท้ๆมันหายไปได้ยังไงก็สงสัยอยู่เหมือนกันเห็นไหมจริงๆก็เทวดาจริงนะปิดผู้ปิดตาจริงเลยนะโยมเออไปดูตรงาัา้นปล่อยให้นางมาซิ ควาเอาคว้าเอาเต็มหาเพืกลับบ้านเจกลับอาสมมาเอ่อมาเจอตาชูชก็ตัาชูชก็จะไม่ทันได้ทันหาชาลีไปอเลยเจต้องขัดขวางเขาไว้เพื่อทานทเวศสันดรจะได้เรียบร้อยนะเป็นยังไงหนาะโยมอย่าเพิ่งหลับเด้อ <laughs> วันนี้มีกระเ ท, ที่ด่าเยอะเลยเกษตรประมูอยู่แถวเตียเออเอาเรามาถึงตรงนี้ลวกลัดกล้มันไม่ถึงลูกตาสัากทีเนี่ยไม่ถึงลูกตาแล้วทําไมจะถึงลูกตาละ่ะก็วนไปวนมาสยมไปก้อยเลยที่ตงไกลๆมันไม่มีแล้วต้องไปไกล ไปก็กลับมาวนมาวนไปวนไปวนมาเต็มได้แล้วนะผลไม้นะกลับมาเอากลับมาแล้วโอ้ยกลับไม่ได้อีกไในซอกหินซอกเขามาอยทางนั้นนะมันจะต้องไปทางอย่างเดียวเลี้ยวขึ้นก็ไม่ได้เลี้ยวลงก็ไม่ดีลงก็ลงเหวขึ้นก็ขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ย น, นะมันท้ามหลอดอยู่นะ่ะอทางเฉพาะนะ่ะ แล้มีอะไรอ่ะอาอีกแล้วร้องไห้ร้องห h มโถจะกลับบ้านดูตะ ว, วันก็คอยลงคอยลงโอ้ยมองข้างหน้าโอ้ยลายพาดก่อนเลยนอนคว่ำเราจะไปได้ยังไงโยมไม่ใช่ลายพาดก่อนตัวเดียวเลยนะ มีสะละพัดเลยในคำเหลก็บอกสองเสือสามสัตว์มันนอนสกัดขวางทางเดินน<ม>่ะแล้วไปได้ไหมเล้ามีก็ไม่คานะปืนก็ไม่มีระเบิดก็ไม่มีจะไล่มันไปก็ไปไม่ได้แค่โยกมือไหวไม่ได้ไวหวยพระนะว่ายเสือ ยอ่ยอมือไหว้ก็ะูนทุกตะวันใกล้จะตกดินแล้วพวกท่านลุกไปเหเห็นไหมละ่ะร้อนตะวันก็ร้อนลงร้อนลงนะลองให้นะมัดสีนะความเป็นห่วงพระสวามีห่วงลูกนะโถมีอุปรสร หาผลไม้ก็เหนื่อยหน่ายพออยู่แล้วทำไมต้องมาเจอเสืออีกไปก็ไม่ได้ย้อนก็ไปหายอีกทางมันก็ไปไม่ได้โอ้ยร้องไห้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดอ่อนวอนบ่วงสวงเอาคนละหมากหลากไม้ที่ขปเจ้ามีเนี่ยนะ เออเอายกให้เทวันดาหมดกันแล้วกันวางเเลยฮะท่ท้งโนยาตินังโหตูทเวศสันดรเคยสอนมานะขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ตาลอกให้ทีคนเราอย่ตาจะไหลมันสงสารมากสิไม่ไปไม่ได้วัดน้ำว่าพิษว่าถูกเนาะครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรนิจกัน คนเคยร่วมการงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวานขอให้ท่านได้กุศลทั่วกันทุกท่านเถิดใหุ้ลไม้เทวดาเลยเอเอเฮอันนี้จะอดอยากปากแห้ง ถวายเทวดาเฮ้เห็นไห ม, มละเทวดาเสือนายโยมเสือได้ยินแล้วเสือร้องไห้เหลยฮนะสงสารมัดสีถูสาลักผัวรักลูกน้อละมากลากไม้จะไปให้ผัวให้ลูก มาให้เราหมดเลยเนี่ยเสืออะไรกินสึกอร้อยสะสะสโอ้ยโยมวะมันก็ายอ่อนมันกันนะสิ๊แต่ที่ไหนเล้วว่าจะใจอ่อนนะชูช็อกเอาลูกไปแล้วเฮ้ยไม่ลาเพราะฉะนั้น ที่อาารยภาพสรุปสั้นๆนตรงนี้เลยว่าการให้ทานของพระเจ้าเวสสันดรมีอุปสรรคมาตลอดจนกระทั่งมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่นละเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทัานไม่เอาอุทาหอณ์เป็นตัวเป็นตนเป็นอย่างนี้หรอกมาบอกนะ บอกกับคนปฏิบัติทำรรนี่ๆสองเสือสามสัตว์จริงๆที่มันนอนสกัดกั้นทางมัต ส, สีนะจริงๆเลยนะเป็นตัวกิเลสไม่ละโยมกิเลสเป็นเหตุให้เศร้าหมองเป็นเหตุให้ล้องหายเป็นเหตุให้เสียใจ ห้เหตุให้ฟุง้งซ่านล้าคานไม่ได้โยมกิเลห์ที่ว่านั้นน้สองเสือสามสัตว์ก็คือนิวรห้าประการนี่แหละพิกษุูตรพิษสูนี้อุบาสกอุบาสิกาไอเสือที่ว่านั้นจะเป็นเทวดาหรือเป็นเสือจริงก็ไม่บอกกันละ แต่ไอ้ตัวนี้นะตัวแท้เลยตัว น, ม า, ม น, า, นามมาทำมันสกัดกันหนึ่งการมาฉันทะทความยินดีรักใครในกรรมมีไอ้ตัวนี้นะภาวนายากมันก็กวังกันอยู่ขวางอยู่งั้นแหละเออ ตัวที่สองพยาบาทเนี่ยเห็นไหมลูกโยมไอ้ตัวที่สองไอ้สองเสือเนี่ยสองเสือเลยพยาบาทโขกอคาดมาดร้ายโกรธเครืองฝังแน่นอยู่ในใจนั่งสมดสงบไม่สงบอูแวกมาแล้วไอ้คนที่เราเกลียดไอ้คนที่เราโกรธเนี่ยโผล่หน้าไม่เราเห็นเลยหลับตากูําไม่เห็นหน้ามึงได้ไหมไอ้คนกูเกลียดเนี่ย เคยเป็นมังไม่เล้านะเคยมาหเห็นมังเปล่าและไอ้คนทีดกโมโหมนะันนามาเสะ <c oughs> พอิจส ง, งบประใจแล้วมันใสมันก็มองทั้งทะลุน้ำทะลุไปโน่นนะตูดโงตูดไถน่นนะตูดขันน่นนะมันเป็นนอง อนอยู่ข้างล่างดูนะเห็นเลยนะตรงไหนมันใสตรงไหนมันข้นตรงไหนมันมีอะไรอยู่ไตตรงใไตโอม น, นะเห็นเลยนะอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรตกลงไปอยู่ในโอง่งนี่เห็นหมดนะั่ละแต่อย่างไรก็ตามตัวที่สามไอ้ตัวสําคัญนตาตาบอกเนี่ยเกี่ยวกับลูกตาเนี่ย สองเสือสามสัตว์เราให้ยมฟังมาเนี่ยคือถีนมิทธะถีนมิทากก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานอะไรหรอกเออแต่มันเป็นความท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยนายใครอู้ไม่อยากจะเอาแล้วมันเหนื่อยเออมันง่วง หาวหาวนอนตานี่มันไม่อยากจะลืมมันอยากแต่ตหลับ <c oughs> มันเป็นบางไม่เล้าเวลานั่งนะบางทีโง่เป็นไก่ป่วยเลยจะมาเคยเข้าคอร์สมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่ดี่ดมันค่อยๆกลม กมพอรู้ตัวมีสติขนก็โอ้ต่างงกขึ้นมามันก็ไก่ป่วยเป็นกันมั่งทุกคนแล้เนี่นะมากน้อยไม่รู้แล้วมันเป็นเพราะอะไรไอตัวนี้ไงเอออดรับอดนอนนะเนาะเออกินอาหารมากเกิน รู้ทำงานมากเกินมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแห ล, ละร่างกายมันต้องการพักผ่อนใจมันก็แทนที่เกียจขี่ข้คานขึ้นมาอีกอุ้ยที่เกียจขี้คานมันเป็นตัวไม่ดีเจ้าบอกมีขี้อยู่ข้างหน้านี้ไม่เข่าท่าเข่าทางไม่แล้วมันก้านขวางมีขี้กองบนเลือดขวางเป็นลำน้ําอยู่ยอมจะไหว้ข้ามันไปไม่แล้ว จ่ายไม่ถึงจริงไม่ไปออกมีขี้ใครจะไปจะหยบยังไม่หยบเลยให้เห็นนะยัไม่เล่ามีขี้เกียดขี่ค<ๆ>้านแหละเนี่ยไอตัวถีนะมิธนะนัะถีนางถีนะเนี่ยแปลว่าความท้อแท้ท้อถอยเออความที่กำลังใจมันตกความเมื่อยล้าอ่อนเพลีย ความกินอาหารมากเกินไปร่างกายมันถึงเวล า, า พ, พลักผ่อนเราไม่ให้ พ, พักผ่อนเห็นไหมล่ะนี่มันเป็นสาเหตุไอ้ตัวที่สามคือถีนากุทัจนกุกุจาโยมีขอข้อที่สี่นะหุ้งซ่านลำคานไม่สามารถจะยังลังงับมันลงได้เลยใจเราเนี่ย ตามป ก, กติมันก็เย็นนะแต่เวลามันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับขี้เท่าเตาไฟเลยล่ะถูกลมปุ๊เป่าหูนิดหน่อยอู้คนนั้นมันนินทามึวมางว่าหูไขมานตะซิบข้างๆหูไขว่าเอา <c oughs> เดี๋ยวฟุ้งเลยโยมเออผ่านทบหูออกจากตรงนี้ <c oughs> ไปดูจบ <c oughs> <c oughs> หูคิดมากเลย่ ะ, ะคิดมากต็อหมายความมันฟุง้งเขาเป่าหูหน่อยเดียวเงี้ยคำพูดคำสองคำก็แล้หูฟุ้งเลยตาเต็มช่องแล้วเธอเ ป, ปะปากหมดแล้วเวลาตกขึ้นมาใส่พื้นเนี่ยคิดเท่า่ะ เคยเป่าขี้เท่าเป่าแป้งเป็นฝุ่นฝุ่นกันมาทุกคนแล้วมั้งเนี่ยแต่มานี่เป่าขี้ฝุ่นมาทุกคนละไม่เล ว, วไปหวไปลวก็ตกแน่นอนเต็มพื้นบ้านต้องกวาดต้องถูต้องเช็ดต้องล้างความฟุ้งของใจนะโยมเพราะนั้นคนเราเนี่ยพระเจ้าบอกไงลงมา ต้องทำใจให้หนักๆนักต้องทำใจให้แน่นแนนต้องทำใจให้แข็งแขต้องทำใจให้อึดอต้องทำใจให้อดทนอ่ไปงอนงนคนแค้นแม่เดินยกนอย่างนอคไม่จะไตหาอยู่แล้วไม่จดบันท เห็นมมันเป็นไปได้ท <men> ั <french> <t ide OS> ้งอันและใจเหล่านี้เออเพราะนั้นอย่าไปใจเบาต้องทำใจให้มันหนักเห็นไหมล่ะโยมใจเบาเหมือนขี้เท่าหัวเบาเหมือนปลาซิวม่ละมันไม่ดี ปลาสิว น, ะน้ำขุนน้อยใครไปกวนน้ำขุนวะมันขึ้นไม้เขาช้อนแล้วเอาไปทอดปลาทอดจับเป็นพวงพวงๆมากิ้มพริกกิน ม, มดแหละไม่ละ่ะหัวเบาแต่หัวหนักๆมันจะลอยมาให้เขาตักไม่ล่ะเฮเอมินซะเถอะมึงพูดแข่เนียไม่ละ่ะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ละ่ะ จะอย่างไรก็ตามยมข้อสุดท้ายเขาเรวิจิกิจฉาข้อสุดท้ายจริงๆเลยนะวิจิกิจฉาแปลว่าอะไรล่ะสงสัยสงสัยไม่แน่นอนลงไปใดเลยหลังเลจะเชื่อขึ้งไม่เชื่อขึ้งออไอ้พวกเงียไอ้ที่มานี่เชื่อนะแต่มาแล้วบางทีอีจใจมันก็คิด มันจะได้ผลจริงๆหรือกุอมพุฑโท ร, ร, รมโมสังโฆเนมันจะได้จริงกรืพระพุทธเจ้านี่มีจริงหรือเปล่าวะเนี่ยโอพระธรรมคำสอนที่บอกว่าโอ้ยตจะรู้แล้วเนี่ยนะมันจะดียังงั้นมันจะพิวิเศษยังไงอ้มันจะทำให้เรามีความสุขมันก็เชื่อเนะี่ยเชื่อรึงเนึ่งนะ แต่ว่าเวลามันมาคิดยังงอู้มันเหนื่อยเข้าเลยนะมันก็สงสัยไปทั่วแหละอ้พระนี่หลอกกูป่าเอาอเอาอีกนี่เรื่องจริงนะเนี่ยคนที่มันขี้สงสัยจริงๆนะมันมีจริงๆเพราะนั้นโยมเรื่องอย่างนี้มันมีทุกสถานทัศน์นั่นแหละเขาทําอะไรก็ตุนตามตรงตามมาฮะ สงสัยไปได้ 108, ร้อยแปดพันกําลังตารอืมผนฟังข่าวเห็นข่าวขึ้นมาเอ๊ะเนปาลมันทำไม้แผ่นดินแยกแผ่นดินไหวไว้เราแล้วตอนนี้ก็ยังไหวอยู่นะอัพเธอช็อกนะมันไหวแรงไงมันก็ยังมีโพรงมีรู้อยู่สะว่าเออ มันก็สงสัยเอเมืองเกิดของระพุธเจ้าเลย น, นั้นเะนี่ยนะเจ้าชายสิถธ้ า, ธาเกิดที่นั่นเลยนันเนี่ยบางคนก็สงสัยอย่งอเนาะเออมันไปเกิดเมืองนั้นได้ยังไงวะสงสัยกับแค่นี <c oughs> อ่เออมันน่าจะไปเกิดที่อื่น ไปเกิดทั้งเหนือไอ้ทางใต้มันไม่เห็นไหวสักทีวะข้าทหารข้าพุทธข้าคนดีคนไม่แต่ภาพมันยังระเบิดตรงตามบาดกระเด็นกิ้งขลอกขกแขกกันอยู่นะหลายปีมันยาดูดูแหละมันทำไมไม่เราไปไหวตรงนั้นหเหแหลงแหลงวะไอ้พวกงั้นมันจะไ้กระเด็นเซนซ่านไปน้ำบาปกรรมนะ แม่ไม่ไหวเนปานปากไตไม่ไหววะบางคนนึกมันคิดไปเองนะเนีะมันสงสัยมันทําไมไม่ ม, มาไหวตรอไอจีเราเกียไอตรองกูไม่เกียแล้วกูเคยไปมาด้วยมันไปไหวตรงนั้นแหมดีนะกูอ่ะไม่เจอตรองนี้วันที่กูไปถ้าเจอแล้วกูว่อ กูจะได้กลับมานั่งจะงี้เปล่าก็ไม่รู้เล่ากันปากเป็นฝันน้หลายไม่ใช่ปากอะเล่ากันไม่รู้จักจบอะอันตามารูข่าวโยมดูข่าวไปยัลามาเมื่ อ, อเมื่อว้วเนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะลือวันที่ต้นเดือนอ้าต้นเดือนนี้นนนก็แล้วกันอะ ไปมาแล้วนะคานิมต์ไปโอ้ยกับพวกกานิมต์ก็ต้องไปเนาะโอ้ยโหไม่ลำบากว่าเป็นหมู่บ้านอิสลาม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปพูดจริงไปพูดดังเ <c oughs> ล้ยวก็จะว่าเอ้ <c oughs> าเอาเ้านี่พูดดัง อ, ออกทื่กูเต็มเต็มเลยเนี่ยเอายากเออ ที่รถตู้ไปตั้งเจปดองก้าองสิบองเต็มยัดกันไปโยไม่มีใครอยากนั่งาำหน้ารถตู้ว่าพ่าเนาะอูว่ า, นนาตูมมันต้องอีรอ้อนอ่ะมันต้องเหยียบก่อนใช่ไหมล่ะ <c oughs> มันก็ตูมอ่ะนะฮังเคประเดจอนไงตังหน้าเนี่ยเอาก่อนเขาเลยอ่ะเออไม่มีใครไปนั่งหน้าหรอก แงมาดูงหลังไม่มีใครจะอยากก็นั่งข้างหลังอผงเอ็งผงเองเอาตมาบอกกันเนาะผมจะไปนั่งทางหน้าเองเออพวกนั้นก็เลยสบายนั่งยิ้มไป <c oughs> อาตมาก็นั่งคุยก็โชเฟอร์ไปคุยก็โชเฟอร์มาคุยไปคุยมามันพาเราไปถึงหมู่บ้านไอที่จะเข้าไอไ อ, อ ย, ยลาน พอหึงโม่บ้านไอ่อว่าเนะอาจารย์อาจารย์ทําไมเนอไอที่กลางถนนใหญ่ใที่ไม่ค่อยมีบ้านคนไม่เป็นไรอาจารย์ทําไมล่ะคุยนานแล้วเนี่ยทําไมต้องมาเรียกไอะไรอล่เขาออาจารย์ทําไมออกเสียงดงังยกก็คิดว่าอาจารย์ไม่ไดเย็นอทําไมเหรอแงไปดูเขาอาจารย์เอาผ้าเนี่ยไอผ้าเนี่ย ไปวางไว้บนโน่นนะไอต้องหน้านะรถหน้าเหลืองจ้าเลยมันจะ ก, กัดสายตามันน่าจะเอากัดสายตาเสาตอร์อะไรแล้วไอว้บูบ้านอิสระไอโยมือ้อบอกอาจารย์เอาออกมาเอามาไว้ข้างในนี่โอ้มันมาให้เอาสังขาวาง เออแค่นั้นยังไม่พอนะ <c oughs> ไอที่เปิดลูดม่านกั น, ดนแดดอเลยอยู่หน้าเปิดให้ดูเห็นข้างหูข้างทางได้นะพอถึงมูบปัดปิ๊ปๆๆปปตายห่าไอ้พวกนักก้นต๊กระจายกันกหมดปิดหมดเลยบอกวนะ่ทาทั้งหน้าทั้งหลังยังเอาไว้สักบามก็ไม่ได้ เดี๋ยวมันเห็นพวกท่านเหลืองตายอยู่แล้วเตมมาเลยล่ะมาทานกางวงล้อมมาเลยเนี่ยบอกปะปะทูเจ้าชีวิตไปทิ้งสรามังอาจจะมาก็่างคิดอย่างนั้นนอ้อทาใจดีสู้สือาวะไม่มีอะไรแล้วท่านใครอยากแงมก็แงมไปแต่แงมน้อยน้อยหน่อย ไม่ไว้ใจกันยังสงสัยว่ามันจะเห็นไม่เห็นอะไรเงี้ยเออมันต้องดูมันม้างอะไรกังวี่กังวันแศษเศมันจะมาทำอะไรเราได้เราเออตอนตัดมาแล้วมันมืดเราขู่เขาีกเออมันมืดนายพูดทำเสียงดังเชียวเออผลสุดท้ายเป็นไงภาคก็ปิดเงีบกึ๊บเลยโยมเอ้ย อีกคนพอได้กินอย่างนี้เขาทำไมแ้ามันตมูมทํามันลอ้อมลด ล, ล้อมเรือกุจะไปไหนวะอีกคนบอกจะมุ่นกระไตโตอีมาเล่า <c oughs> มันจะกลาดแต่ตรงก็อีกจะเบานั่งใช่ไหมเล่าตุ๊ตุ๊บๆุ๊อะไรเงี้ยแ้่มันมีปืนหนาเออเอากะมุนอยู่ตนเต็มโน่นแลหละนอนลาดอยู่กับพื้นนั่นแหละเออหลบไม่ทันก็ตายอล้วประมาณอย่างเงี้ยฮะ อันสดท้ายอีตอนกลับก็ไปเล่าให้เจ้าภาพฟังว่าพระภาพาปิชาพุทธโยมชาพุทธสร้างวัดสร้างวาสร้างแนละ้วปูทวดสร้างอธิ อ, อตมาไปจับพิโลกเนี่ยเอาหลวงพ่อชินราชไปให้เขาองค์หนึ่งเออไปถวายวัดที่วัดนั่นนะเออเขก็สร้างอะไรพ่อแปะแล้วก็เออปู่อะไรคเขาคงไม่รู้ล่ะ นับถือกันมาเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางทําความดีมากจนชาวบ้านแถบต้านหนูเจ็บใครได้ป่วยช่วยเหลือตลอดตนเองป่วยก็บอกว่าไม่ป่วยแล้วไปรักษาคนอื่นหายป่วยก่อนค่อยกลับมารักษาตัวเองถึงเท่านั้น น, นนะเขาจึงหลอ่อลูกไปไงเรานี่ยเรื่องความดีนะแต่อย่างไรก็ตามที่ เกอไปแล้วเน า, เาะเหล่าก็ก็อดสันฟันแค้นก็พระก็กลัวกันนะโยมเนาะทำยังไงเดี๋ยวกลับเนี่ยเจ้าภาพไม่เป็นไรพ่อใจเย็นๆ เ, เดี๋ยวให้ทาพิธีสวดบนไหว้พระถวายอะไรท้าหะไรจบเสร็จฉันเพลให้เรียบร้อยให้ศีลให้พรผมก้อ น, อ น, อนเออแล้วค่อยกลับเมยตอนกลับว่ะ เขาท้าว่ามันให้กลับทางเดิมโยมไม่กลับกลับโดแน่เลยมันมืดราเออมันจะให้กลับทางเรือแต่เลาะไปนั่นแหละถนนก็ไอเรือมันก็ข้างๆน่ะเขื่อนอะไรนั่นน่ะเขื่อนอะไรละลาละเลออะไรก็ไม่รู้มันละโรงงานละอืมนล้นละเรืออะไรนั่นน่ะเขื่อน ปลอยน้ําไม่มาทําไรไทยนาปลูกสวนจางสวนเจิงกันน่ะอยู่ในหุบเขาเติมใจกลับตรงนั้นเออภาคก็ยังไม่ผุดปลายใจยุ่ยเดียมแหมเราอยู่ในน้ําอยู่ในเรือม็ส่งเอาส่งเอาซีนางเรือไม่ไหวใจอ่โยมอหมทำยังไงอยูไหมเออกอดีว่ะ เออเออเอูช่วยแม่ทับผักอะไรละผักสีผักหาอะไรน่ะนะเออไปอยู่ตรงงานพอดีไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมสั่งห่อมาสองล้าเลยแม่สั่งหอยมอีตอนไปไม่ไปรถตูนะอีตอนกลับว่าสั่งหอมาลับเราเลยวันน้าโรงเรียนกลางๆวัดเลยว่ะ ลงปับปับปับปับปับปบแม่คืนกันยัดคันละตะ้องภาคข้า ง, า ง, างละแปเลยอ่ะคันละแปดโยมแล้วมีทหารคนขับอีกสองคนอีลังนึนขอเป็นของตำรวจเออตำรวจก็นั่งคุมเชิงอีกอยู่ข้างๆประตูอีคนนึงเออผลสุดท้าย็ขคืนแล้ว ห้ามจอดนานนี่ต้องหักนะจอดนานก็ไม่ได้เพรออไปอยู่ในหุบเขาไง้ายแล้วทํำไงโย่พอลมเขาพัดคืนปุ๊บเอามัุ๊บบุ๊บบุ๊บปั๊บเลยโอ้ยหูนี่ไม่ได้กินอะไรแล้วคืนไปอยู่บนนั้นนะใครจะไปพูดได้นั่นเป็นยังไงไหนนี่ไปตรงนั้นไปยังบนไม่ได้ยินดีเมืกันมาหูดักเลยว่า เออเออเลยใจมันก็ไม่ฟุ้งไงเพราะหูมันไม่ได้ยินหูมันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะใจมันพลอยสงบไปด้วยวะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาตาได้เห็นรูปเวลาหูได้ยินเสียงเน่ะพระพุท ธ, ธเจ้าใช้คำว่ายัางไงจงสำรวมอินทรีย์ อย่าไปยินดีแล้วก็อย่าไปยินร้ายในเวลาเธอเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพธัภพผะรู้ธรรมอารมในใจอย่าไปยินดียินร้ายมันอ้าวไอตอนอ่านใหม่ๆเนี่ยตมาบวชใหม่ๆนะั่นไม่รู้เรื่องหรอกนะอ่านเต็งเลยทองเต็งเลยเหมือนกับที่เจ้าคุณดานบอกกันะนะ ปัจใจสีนิสัยปัจใจทั้งอัศัยขอ้งบันพจจิตมีสียังคืออะไรก็ว่าไปปัราชิกสีสังคาสิเศสสองอนิยตสองมิสคีปาจิตตีปาจิตตี9ก้ิสมิเศคลอะไรมังละปเทศวัดสีเพยวัดหารวมเป็น220่นับท้งอธิกรณสมถะเจ็ดด้วยเป็น2ยเจนี่ยทองสีทองตัวเองไง นี่ยท่องศีลแล้วท่องทําไมอ่ะทําไม่ท่องแล้วมันก็ไม่รู้มันไม่จําเมื่อไม่จําแล้วปัญญาเวลาเขาที่บายมาถ้าไม่ได้แบบไม่ไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเวลาสอนเอามาสอนให้เขาเน้นให้นักเรียนเน้นลูกศิษย์นะที่จะเรียนนักธรรมบาลีต้องท่องแบบไงโยมต้องท่องแบบ เพราะนั้นเราที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะโยมนะต้องพยายามทำตามรูปแบบที่ท่านให้เราทำนั่งต้องนั่งยังงั้นเดินต้องเดินจํงงี้ขาก็เคยตาวแปบๆก็ไม่แคบไม่แทบแล้วหูยางโจ๊กเนาะแล้วก็ยางอุอออ้งมื่อจะแตก โอบางทีมันต้องมันถึงบอกไงต้องอึดเขไว้งาอดเขไว้ทนเขไว้เออเนี่ยพอตาหูจมูกนลีกายใจที่บอกโอ้หูดับแล้วมันทำให้ใจเราสงบที่เรื่องจริงไปเห็นพบมาก็ะหูก็ตาตัวเองเลยในที่ไปภาคใต้เนี่ยมาเข้าใจทำไหมข้อนี้เลยอะ่ะ โอ้โหมันมาเชื่อมต่อกันยังไงก็ไม่รู้ว่าใจมันแวะไปแวะมาคิดมาคิดไปพอมานึกถึงคำพูดที่เราท่องกันมาจำกันมาอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิ้มรถถูกต้องฝนถภ ะ, ะลูธรรมลมด้วยใจใช่ไหมอิทธีแรกไดไหมเอ๊ก็ยังสงสัยอยู่แหละวิจิกิฉาง เอ๊ะทำไมไม่ให้เรายินดีวะยินดีมันก็น่าจะดีนะ <c oughs> <c oughs> เออไอ้ยินร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเออมันร้ายเราไม่ยินไม่ไม่เอาก็มันก็ได้ฮะนี่ <c oughs> <c oughs> ยินดีอย่าไปยินดีแล้วก็อย่าไปยินร้ายเนี่ยเอ๊ะมันยังไงพอไปตรงนี้มาหูดับมาตับมา มันแว็บขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าไอ้คาว่ายินดีนะโยมมันก็ไม่ดีนะยินร้ายมันก็ไม่ร้ายมันยิ่งร้ายใจเลยนะไอ้ยินดีนะมันก็เหมือนกับอะไรอะ่ะมันก็ไฟเย็นนะไอ้เย็นที่เขาจุดการทูกการไม่ขีดไม่เศษศัพทบแล้วก็มาจิ้มไปที่หัวนี่โปตีนของเราเนะนี่ยเราไฟแมทเขาว่ามันก็ไฟแตง ถึงเนื้อถึงหนังเราอะเมื่อไหลนู่เลแวกสะดุ้งเหือกขึ้นมาเขาเรียกว่าไฟเย็นถ้าไฟยังไม่ถึงเนื้อถึงหนังจริงๆก็ไม่รู้เราก็บความร้อนตรงนั้นมันเป็นยังไงน่ะเหมือนกันนะแ่ินร้ายนี่คือความไม่พอใจไม่พอใจจับแล้วคว้างทิ้งทันทีเลยถ้ากูจับมาเนี่ยเมื่อคนไปงมป่านะโยม แมปลงไปเจอปลาดันไปเจองูอ่ะูคิดว่าปลาไหลเห็นไหมล่ะกำแน่นเลยว้างูนี่ว่าขว้างเลยเพราะมันยินร้ายปลูกฝังมาอยู่ติดจิตใต้สำนึกมันเป็นอย่างนั้นแต่คำว่ายินดีเนี่ยเป็นอยา ย, ยมณยินดีมันก็ไม่ดีตามหลักเการปฏิบัติเนี่ยนะ ยินดีกิ่เลทไอ้อตัณหาลาภมันเกิดไงโลภ์ะเนี่ยเต็มเต็มเลยไงยินดีก็อยากได้นั่นแหละใช่ไหมละห่ะโยมอยากได้นั่นอยากได้นี่คือยินดีไง ม, มีตังซื้อเลยในตรงนี้กูอยากได้เห็นไหมละห่ะโยมซื้อเสือซื้อผ้อาซื้อทองตุงหูนาฬิกาสายสร้อยเออ แ tabs, ม้แต่บ้านทยินเดแล้วเต็มที่เลยอรไม่มีตังก็กู้ธนาคารซื้อก็ได้มีใครติดธนาคารเพราะเรื่องยิ่งนี้บ้างอะไรมีมั้งละเคย ก, กุ้มใจเพราะไม่มีดอกส่งธนาคารกันมังไม่ล่ะมันต้องมีมั้งละคนเราเนี้ยอือ เพราะไอ้ยินดีแท้ๆกูถึงได้ก็เสือกก็สนตากแดดตากลมเนี่ยบากลาบนก็เพราะไอ้เหลืองตรงนี้เองไนเห็นไมละ่ะยินดีกิเลยตัวบลเลยไม่รู้อือพรเจ้าบอกอย่าไปยินดียินดีก็คือจับปุ๊บมันจะดึงเข้ามาหาตัวไงจับได้เนยอามากอดเอามารั ด, ด, ดเอามาฟดมาเียนอยู่ยงี้แหละ เ อ, อ้ทายาทไล่จับพวกไปแล้วความทิ้งพวกไปชอบขีนหน้ากันนั่นแหละเออ้สุดท้ายเป็นไงพุทธเจ้าบอกสายกลางสายกลางจําไว้สายกลา ง, าลางมัดชิมมาปฏิปทานาะพิษุสอนให้ปัญจวัคีรอสีทั้งห้าเป็นการเทศการแรกเรียกว่าทรมาจักกับประวัตนสูดใจความอยู่ต้นเลยนะเนี่ย อันเจะะ้าวักทีเอ๋ยตั้งใจฟังหนาที่สุดสองอย่างอย่าไปเข้าใกล้มันหมายความว่าไงกามสุขขัิกานุโยคคือความพอใจอยากได้ลูกเสียงกินรสโผลทพพระธรรมาลมของดีๆคิดว่ามันดีมันก็ไม่ดีหย่อนเกินไป อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปทำมันเหมือนกับขอนไม้ต้นไม้เขาตัดมาใบใหม่แล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ำล้มลงอยู่ในน้ำตัดหัวตัดปลายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะบุลุ์ปลาทนาไฟแล้วจะเอามาสีไม้ต่อไม้ให้มันเกิดไฟเนี่ย มันจะเป็นได้ไหมเราพิษสูไม่มีไฟเงือพ ล, ลักปลักสีเท่าไหร่จนหมดกำลังนะก็ไม่เกิดไฟล้วทำไมไม่เกิดพอไม้มันสดถูกันยังไงก็ไม่เป็นไฟลุกขึ้นมาได้สดยังไม่พอขอน่ะมันยังแช่อยู่ในน้ำอีกเนี่ย แล้วมันจะไปเกิดไฟได้ไหมเล้าภิกษุไม่ได้สิเนาะเราฟังแล้วพระเจ้าสอนอย่างนี้เลยนะอีกสว่วนหนึ่งแค <c oughs> ้งเกินไปอัตตักทีลำมัทธานุโยมึงหิวกูไม่กินกูจะทอรมานมึงเนี่ย วดเก่งเลยมึงชอบกินใช่ไม้มกูไม่กินมึงชอบเสื้อผ้าสวยๆใช่ไหมกูไม่ซื้อดูสิมึงจะอยู่ได้ไหมเอเมนละโยมนี่พวกนี้เนี่ยนะมึงหายใจเข้าใช่ั้มหายใจออกกูไม่หาย แ ล, แล้วมันจะยังไงแล้วมันจะยังไงเว้เนี่ยเหรอมันจะอยู่ในโลกนี้ได้ไหมล่ะเนี่ยอัตตะกิลามัทานุโยกเบียดเบีย น, ยนตนก็ไม่ดีหมายความว่าไม่ได้ตัดสู้สมาธิไม่เกิดปัญญามันจะตามมาได้ยังไงล่ะ ขั้นแรกไม่เกิดขั้นสองไม่เกิดจะก้าวปัญยามันจะเกิดขึ้นใดนั้นขาฉีกไต้หาเลยก้าวขึ้นนะไม่ไปไปไม่ไดออ้อย่าไปยินดีแล้วก็อย่าไปยินร้ายในเรื่องกามาคุณในเรื่องของทรมานตัวเอง เนี่ยไอ้ที่เขาปั้นเป็นพระลูก เ, เ, เขาเรียกว่ากลางบำเพ็ญทุกข์ะกิริยาณไอ้ที่เห็นพระพุทธรูปพร้อมเห็นสิโคกงเห็นไส้เลยเนะยบหน้าตากวงหูหยตาปากเปิกเนื้อไม่มีมีก็หนังหงกระดูกมันก็อีกคกตายซากเลยแล้วมันจะอยู่ได้ไหมล่ะ เนี่ยพระเจ้าจึงบอกอย่าไปยินดีแล้วก็อย่าไปยินร้ายยินร้ายก็คืออัตตะยินดีก็คือพวกกามมสุขขันไม่เป็นประโยชน์กับคนนั้นนั้นจะทำยังไงต้องทำมัดชิมมาใส่กันปลางทานอาหารก็อย่าไปทานมากเด้อทีหลังนะเดีย๋ยวหนังตา ม, มันจะหย่อน ย้อนหมายข้อแรกอีกแล้วกลัวโยมม่วงไม่แชอะไรเออเดี๋ยวดูเวลาก่อนอ้ามันเกินชั่วโมงไปซิบนาทีแม่คิดว่ายังไม่ถึงเออสรุปแล้วกันเพราะท่านให้พพดแก่นี้ bah, อุตส่าห์แถมไม่ตั้งสิบนาทีเลว <c oughs> เออบ่ายสองสิบแล้วเนี่ยเอาสรุปเลยนะโยมนะว่าคนเราเนี่ยออกมาได้อย่างนี้อาตมาภาพว่าเป็นเรื่องดีที่สุดเราแล้วเพราะคนเราเนี่ยนะจะออกมามันก็โยมอย่างเงี้ย ที Workers, East, people, ่นั่งนั่งก็อยู่จะมีสักกี่ร้อยคนพันคนหกสิบล้านคนเนี่ยออกมาถึงล้านไหมเอาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะยักไอ้จีน้ำภาษาอังกฤษท้ามีสอเสือมากๆมักกันยังไง เพราะฉะนั้นถ้าไม่ละไม่วางไม่ปล่อยไม่ยอมรับสมั่งเนี่ยนะมาไม่ได้ทำไมมาไม่ได้ก็เอาก็มันห่วงลูกว่าให้ลูกกูโตก่อนกูถึงจะเข้าไปปฏิบัติธรรมเห็นไหมละ่ะพาลูกโตโอ้ยลูกกูเรียนจบก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ย ลูกเรียนจบแล้วนะโยมโอ้ยลูกกูมีงานทำก่อนห่วงอยู่อย่างน่ะห่วงตัวเองตัวเองไม่มีใจจะห่วงตายเพราะอะไรนะนะโยมลองคิดดูสิก็เพราะห่วงหาอาไลสารพัดสารเพน่นอกตัวนอกกายนอกใจเราทางนั้นน่ะ ตัวเราแท้ๆไม่ห่วงใจเราแท้ๆมีดวงเดียวในไม่ห่วงปัทโถไปห่วงไอ้ดวงนอนไอ้ดวงนอนห่วงไม่ก็ะท่างไม่มีวิญญาณห่วงปานห่วงกันมั่งไม่เล้าทีนะห่วงนะเออห่วงหมาโธห่วงหมาห่วงแมว โทห่วงห่วงเฮามันก็ร้อยแปดันเก้าห่วงอะสแล้วมันจะมาได้ไหมละ่ะไอ้ที่ร้อยล้านพันล้านน่ะมันมีกันเยอะแยะมากมายน่ะแล้วมันจะไปก็เราไม่ละ่ะไอ้ที่ห่วงห่วงคนอื่นเขาเนี่ยถ้านักเทศโบราณประมาจํำมาได้บทนี่ย แกแหวนเงินทองเข้าของหลายเวลาตายไม่ยินดีปุปปับกลับเป็นผีเงินทองมีไม่เอาไปน่ะเงินทองเป็นของกลางผู้ก่อสร้างเอามาไม่ได้น่ะเป็นมรดกตกต่อไปเป็นของใช้สาหรับแผ่นดินนะรู้เคยฟังมาแล้วใช่ไหมล่ะเอามาคิดกันมังซีไปห่วงหาอะไรกันมากมายกัน เออมามาในทุกคอดทุกคอดไปเลยเขาไม่ข้าป่าอาหารเลี้ยงเนี้ยไม่ได้อดมือกินมือสักอะไรล่ะเออไม้บุญกุศลมันเพิ่มผลให้ถึงโสดาบันเป็นอย่างน้อยมังเห้ยธนาวิสาขาปลุโสดาบัน ต, ตามตามวัดนะลองไปอ่านดูเหอ แค่อายุยเจ็ดขวบแค่นั้นนะฟังรู้เรื่องเลยฮะจิตพ้นเลยไม่ยึดมัน่นไม่ถือมากว่าสิง่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับลงนะไม่ยึดตายนะโยมเออไม่มีสัจตายทิฐิไงนะความเข้าใจว่ามันเป็นตัวนี่จริงๆมันไม่มีตัวพระเจ้าบอกมันเป็นธาตุ ไม่เป็นตัวหรอกถ้าเป็นตัวก็ไม่ใช่ตัวเราองั้นไปแล้วกันมันเป็นตัวทุกเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกไว้ไอจะมาบอกยกภาษิตเป็นภาษาไทยเมื่อกี้นะ่ะมันไม่ได้ไปก็เราหรอกกาพูดไว้อีกคำานึงง่ะอีกเรื่องไอ้ไม่อีกเรื่องนะักเรื่องเดียวกันนี่แหละต่อให้หน่อยก็ได้เพราะเจ้าคุณ ภาวนาวิริยะคุณบอกไว้เมื่อกี้เกินก็ได้อาจารย์เ ก, กินก็ได้บอกเกินก็ได้เอาไ่้กันเลยกันแม่กลัวเราจะจบเร็วบอกเออและอย่างไรก็ตามถ้านักเทศโบราณอาตมนานนะ จำมาได้บทนี้ครับเงินบาทสุดท้ายลูกหลานเขายัดใส่ให้เอาไว้ในปากนะบางทีสปัปเปลยยังแอบควักไม่ยอมให้เราเกลืนคิดขึ้นมาแล้วมันก็น่าขมขื่นมีผ้าสองผืนให้เราปิดร่างกาย แต่บางครั้งตอนเผลอสับเปรยยังแอบแก้เอาผ้าม่วงผ้าแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดวันตายนอนแก้ผ้าไปก็แล้วกันจริงใช่ไต้องไปนอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอน ห่วงสมปัดก็จำต้องทิ้งเมื่อร่างกายเราลงไปนอนกลิ้งเปรียบดังไม้ท่อนต้องไปนอนรอไฟอยู่บนกองฟอนขาดูุเรียงเที่ยงหมอนสลพนางแม่นายเมื่อตัวเราตายอะไรเรามันติด หัวเมียลูกญาติมิตติดตามเราไปบ้างหรือไม่รักการปลานจะกลืนก็มากลับมากกาลแต่พอเราตายแล้วเขาก็เกลียดก็กลัวสบัติล่าวนี้นะมันเป็นที่ลวงตา ไม่เห็นเลยว่าจะเป็นแก่นสารเป็นของรวงเราให้เฝ้าผูกพนันหลงกามันระวังจะไปแต่มือเห็นน้ำกูกี้ขันกูไม่ไหลออกมดไม่เอามาล้างหน้าตัวเองสักแป๊ะเดียวเลยเห็นไหมยโยมจริงเขาว่าไว้ยาวกว่านี้แต่มันมดเวลาสิ เอาจบแค่นี้ก็แล้วกันน้อยโยมเนาะอะเพราะนั้นท่านเจ้าคุณท่านฝากเขาไว้ว่าต้องทำอบรมปมนิสัยลูกเต้เาเหล่าหลานด้วยว่าไวต้นถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาวิชาไวไวกลางไม่หาทรัย์ ตับเพิกเฉยไวแก่ไม่ทําบุญจุนเจือเลยป้าเดี๋ยวจะไปนอนมือเกยหน้าผากทนยากจนก็ขอจบปาตะกถารรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันแต่เพียงเท่านี้มีโอกาสครานี้มนมามาไหลโดนแหละจึงจะได้เจอกันอีกสักทีนึง่ง วันนี้ก็ขอญาตโยมทั้งหลายตั้งใจประพุทธปฏิบัติกันให้เต็มที่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึกไม่ต้อง ไ, ไม่นึกถึงกลามไม่ต้องไปนึกถึงพยมบาทไม่ต้องไปนึกถึงถีน้ำมิทะมึงก็กูมันอยู่คนละทางเออโกนี่ตั้งใจมาเพื่อจะละสิ่งเหล่านี้ให้รู้ตามความเป็นจริงยับหนอยุบหนอคองหนอเนี่ยโยมให้สติเรา มันไปติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่จริงอ่ะสุดๆจริงๆเนี่ยไอ้ที่ยุบหนอพองหนอเนี่ยเขาให้จิตเราไปติดอยู่เป็นสมาธิแน่นตึบเลยที่จริงอะ่ะเขาบอกให้เอาไอ้ยุบเนอพองหนอไปติดอยู่ตรงนี้นะเป็นแ บ, บก็กกาลเท่านั้นน่ะใครจะภาวนาอะไรได้หมดละสมาธิเนี่ย แต่ว่าที่จะเดินปัญญาเนี่บอกต้องให้รู้เนื้อรู้ตัวคําว่ารู้เนื้อรู้ตัวหมายความว่ายัางไงอะหมายความว่าขณะบางคนมันไม่ถนหนัดอายุบหนอพองหนองก็เอาพุโทโธทำโบสังโฆมันก็ที่ว่านี่นะอาเป็นสมาธิได้แต่เอาพุโทโธทำโบสังโฆที่โยปภาวนาเนี่ยเอามาเป็นแบ็กลาวเฉย ในขณะที่พาวนาไปภาวนามายุบน้องพองน้องมาสมาหลังไปแต่ว่าใจมันแวบออกไปให้รู้เท่านั้นเองให้รู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวนะไม่รู้เรื่องเราเอาไปเดินปัญญาไม่ได้เดินปัญญาหมายความว่ามีศีลแล้วผู้ใจเจ้าบอกให้เจริญสมาธิใช่ไหมแล้วมีสมาธิให้เดินปัญญาต่อใช่ไหมปัญญาก็คือวิปัสสนา มันที่โยมเข้าใจกันนี่แหละให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงเพราะนั้นจะไปเดินให้มันเกิดปัญญาเราไปนึกเอาก็ไม่ได้เราไปสั่งให้มันเป็นตามที่เราคิดก็ไม่ได้ออบังคับก็ไม่ได้ถึงไม่เป็นมันกูบอกกูใจจริงมึงสั่งมันได้ไหมโยมบังคับไม่ได้ไหมล่ะไม่ได้ มันเหมือนกับเราปลูกพุลมากากาดไม้ปลูกมะพร้าวเนี่ยปลูกปุป๊บมึงต้องมีผลในกูกินพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมสัง่งะไม่ได้มันต้องมันคนละหน้าที่มันเรานี่มีหน้าที่ทำอะไโยมธนุบำรุงใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ดินใส่อะไรแต่อะไรเออป้องกันวัชพืชป้องกันสัต ว, ตว์มากินมากัด เออป้องกันก็ทำศีลให้ดีทาสมาธิให้ดีมีสติให้มากๆบ่อยๆหัดรู้ความจริงมากๆบ่อยๆจิตมันก็จะรู้มีสติสมบูรณ์แบบเองเหมือนกับต้นหมากลากไม้เราบารุงมันด้วยสิ่งต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์บามแล้วมันจะค่อยๆเจริญเจริญเจริญเจรของมันเองไม่ใช่ไปสั่งให้มึงโตไม่ใช่ไปสั่งให้มึงมีลูกมีดอก มันเป็นหน้าที่ของมันเองมันก็ไข่แม่ไก่ก็แค่คุมอุณหภูมิถ้าเย็นเกินไปก็นอนถ้าร้อนเกินไปแม่ไก่ก็ลุกเดี๋ยวลูกเน่าเย็นก็ไม่ดีร้อนมากก็ไม่ดีแม่ไก่ต้องรู้เออถ้ามันเย็นต้อง ไอ้ลูกเอาปากมันขูดขูดขูเข้ามาอยู่ข้าใ น, นนะไอ้ลูกแผ่แผมาอมุ้มไม่ไม่ม่มิดไนะเอออยู่ในหลังนะแล้วลูกไก่มันจะค่อยๆรับอุณหภูมิเรียบร้อยจากแม่มันแล้วนะพอมันได้ที่เข้ามันแล้วนะแม่ไก่ไม่ใช่ไปจิกนะบังคับมึงออกมาจิกกวบกวกไงมันจะออกมาไปละ ออปากกะเละเปกหมดแหละไม่ถึงเวลาเวลามันมันจะออกมาได้ไงมันต้องเป็นของมันเองพอมันถึงที่ถึงเวลาถึงการถึงสมัยสมบูรณ์เต็มที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหัวเป็นปากมันจะเจาะเจาะกระเาะไข่ออกมาเองนี่พดะเจ้า ปัจจตังเวทิตับโพวินยูหิทำทั้งหลายนิยมรู้ได้เฉพาะตนคือเจาะเองมันเป็นของมันเองแค่เราทําศีลให้ดีๆทําสมาธิให้ดีๆทําปัญญาให้มันรู้ธาตุรู้ขันให้ดีๆทําอย่างนี้เสมอๆ เ, เป็น ก, นกลางๆอย่าไปบังคับอย่าไปย่อนอย่าไปตึงกับมันเออแค่รู้แค่รู้น่ะ บังคับก็ไม่ได้ตามใจก็ไม่ดีก็เลี้ยงลูกมาแหละไม่ได้ทั้งสองอยางต้องคอยอีตรงไหนมันขาดก็เอาอีตรงไหนมันเกินออกไปก็ต่อมมาเข้ามามั่งเฉยๆกันเนี่ยต่อไปแล้วลูกเราก็จะเจริญเติบโตธรรมะในใจของเราก็เหมือนกันมันจะค่อยๆเบิกบานเบิกบานเบิกบานเบิกบา น, บา น, บาน เห็นไหมล่ะมันมีศศษรับศศษไปแล้วต้องรักษาเศษให้ดีมารักษาศศษดีแล้วสมาธิมันจะเกิดง่ายค่อยๆพอกค่อยๆพูนค่อยๆแต่งค่อยๆโตเออค่อยๆเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆผลสุดท้ายเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงเพราะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับลงเป็นธรรมดาให้ได้ในชาตินี้นะ ไม่งั้นเราก็เฮื่อเรียนว่ายตายเกิดไปรู้จักตกจักสิ้นกันแล้วพระเจ้าบอกอ่ะทีเรามานั่งๆเนี่ยเราไม่อยากทุกข์ทุกข์มันลําบากแล้วพระเจ้าบอกเกิดไปอะไรเนี่ยนะไม่ลําบากมากกว่าคนหรอกคนเนี่ยลำบากทั้งตายลําบากทั้งใจอ่ บอกอย่างอื่นเนี่ยนะสัตว์เดรัจฉานบางทีเราไปดูมันนะอูตีวบพางก็แค่น้ำตาไหลนะตีเขาเลยควา ย, ยแต่มาเคยตีมานะ่ะเป็นชาวไล่ชาวนานนะ่ะแค่น้ำตาไม่แป๊บเดียวมันก็หายแล้วหมานี่ตีปับป๊บเน้เดียวแล้ว เดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมไม่โกรธไม่แค้นใครด้วยนะโดยจะพ่อเจ้าของตีนะ่ะอูยเห็นหน้าเจ้าของนะกัดดิกกดดิยอยโอ ย, โอยตอนรับขับสู้เรี้ยหน้าเรี ย, ร ย, รยหลังก็โจนกระเจนมาหาเราเลยนะ ท, ทั้งที่เราเคยตีมันเง็งเงเนี่ยนะเออมันลืงง่ายวะ่ะ เพราะนั้นเอาลืมซะมั่งเรื่องอะไรตัร้งหลายเอาก็ขอให้การปฏิบัติทำขงหยานโจมทั้งหลายที่ตั้งใจกันมาปฏิบัติในสายนี้ก็ขอให้จำสายเขาไวด้ดีและปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ท่านให้วิธีการดำเนินชีวิตจิตใจของเราจะได้เยือกเยน็นจะได้เป็นสมาธิจะได้มีความสุข แล้วก็จะได้ตัดวัฏฏะสงสารให้สั้นลงสั้นลงให้จนถึงพระโสดาบันให้ได้เดี๋ยวองค์อื่นๆก็จะมาบรรยายว่าวิธีที่จะได้โสดาบันนต้องลักอะไรบ้างเออ วันนี้อาตมาก็พูดแยมแย้มยมอยากเห็นอยากได้เป็นก่อนแค่นี้ก่อนแกันเอาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมจงมีอายุวันนักสุขภัทปฏิพานตระนงสมปัดโดยทั่วกันทุกโยมทุกท่านเถินเฮ้ยแถมมาตั้งยนะีหนาทีแล้วเนี้ย แมพอดีเราจะไปต่างประเทศนยโยมได้กันเทศว่าเข้าข่เาเอาเอาเอาโยมตัวแทนทุกคนปนมือสมใจมามีตัวแทนมาประเคนเหมือนกัเหล่านั้นทุกคนมาหนึ่งสองสาสาธุอ่าแล้วนโมตนาสาธุจ้ะอ่ามีผมมาไลด้วยแม้หลักสวยรักงามบูชาประพุทธะสม โมตนาสาธุจ้ า, าเรียบร้อยไฮศิลเป็นภาษาบาลีแล้วไพศิลเป็นภาษาไทยไปแล้วไอพอเป็นภาษาไทยแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขทุกคนทุกท่านเธอ